เมื่อวานจําพุทธพจน์ได้อย่างก็ยังเรียนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรานะผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมเป็นศัพท์ที่ใช้มากเป็นศัพท์ที่ในวงการที่ศึกษาธรรมะนะเป็นศัพท์ที่เขาไว้ไว้พูดกันมากเหลือเกินนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมอ่ะนะบางกลุ่มเนี่ยยกพุทธพจน์บทนี้เป็นเรียกว่าเป็นสโลแกนประจํากลุ่มอะไรประางนั้นนะ เป็นยี่ห้อของกลุ่มนี้เลยของกลุ่มเลยแต่ว่าเหตุผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราหมายถึงเห็นโลกุตรธรรมนะทีนี้คาว่าเห็นธรรมะตัวนั้นที่เป็นโลกุตรธรรมก็คือการเห็นอริยสัจนั่นเองเพราะว่าคำว่ามักผลนิพพานมักก็คือมักสี่ใช่ไหม มัคษีนั้นมีนิพานเป็นอารมณ์ทรรมกิจคือโดยกิจนี้ทมปริญญากิจทมปหานากิจโดยอารมณ์นี้รู้แจ้งแทงตลอดอยะแทงตลอดพระนิพานพราะในขณะอริยมรคนั่นแหละเรียกว่าทรรมกิจเะนั้นผู้ใดเห็นทรรมก็คือเห็นอริยสัจที่พระองค์ตัดกับพะวักลิใช่ไหมว่าประโยชน์อะไรที่เธอจะเห็นกายที่เปื่อยเน่าอันนี้ นี่ผมก็บอกวิธีที่จะทําให้เห็นธรรมะด้วยว่าทํำยังไงจึงจะเห็นธรรม ะ, ะการที่จะเข้าไปเห็นธรรมะนี่เห็นยังไงก็เห็นขันท่าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็ น, ปนอนัตตาไปหมดเนี่ยนะแล้วก็ตามสูตรว่าปริวัตรสามเนี่ยนะปริวัตรสามรอบแรกคือนะทบทวนในครั้งหนึ่งนะปริวัตรสามปริวัตนี้แปลว่าวนรอบอะ่ะวนอยู่สามรอบวังงั้นแท้ รอบแรกคือเห็นขันท่าว่าไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นอันนะสิ่งนั้นแหละมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาไม่ควรเห็นว่าสิ่งนั้นนั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราอันนี้เป็นรอบแรกก็ค่อยไล่มานะรูปเปธนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยยกตัวอย่างเช่นวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยง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 เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตใกล้ๆเพิ่งเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่อัตตาของเราอันนี้ก็เป็นรอบที่สองเนี่ยนะวนรอบที่สองรอบที่สามก็อริยะสาวกเมื่อฟังเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบือนะนะบ่อนายแมในรูปเนี่ยนะเบื่อนายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนถึง เมื่อเบื่อน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นจนถึงทำกิจเสร็จคือเป็นท่ารหันนี่นะนี่ก็เรียกว่าปริวัตรสามบนสามรอบอ่าสับที่ควรคิดควรเอามาไข้ควรวนเอาไว้อย่างมากสําหรับผู้ที่ศึกษาธรรมะมาถึงขั้นนี้เนี่ยนะขันที่เรียกว่าขันน่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไปหมดะนะพอมาถึงขั้นนี้ มันน่าจะไม่มีปัญหาใช่ไหมมันก็มีปัญหาอีกจนได้ถามว่าปัญหาคืออะไรก็บอกว่าคนพอเจริญมาถึงระดับนี้บางคนจริยธรรมกลับไม่ดีขึ้นเลยถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าก็บอกเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงผิดศีลก็ไม่เที่ยงเพราะ ง, งั้นเธอแต่จริงอ่ะเสียหายมากแล้วนะถึงขนาดว่ากลายเป็นคนไม่รู้จักรับผิดชอบอะไรเลยก็มี เสร็จแล้วก็ บ, บอกว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะนอันนี้คือความเสียหายที่ที่มีอยู่ <c oughs> ทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะว่าหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกอบไปด้วยอริยสัจส์่ประการข้อแรกทุกขะอริยสัจเนี่ยนะข้อที่สอง สมุทัยอริยสัจสามก็ทุกขานิโรธอริยสัจข้อสีก็ทุกขะนิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจเนี่ย น, น <c oughs> ะ คำว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเป็นศัพท์ที่ใช้เฉพาะทุกขาริยศัพท์เท่านั้นเนี่ยนะคือทุกขาริยศัพท์ซึ่งหมายถึงอุปาทานขันห้าเนี่ยนะหลังการเข้าไปรอบรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญานโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั้นน่ะคืออยู่ในปริญญากิจเนี่ยนะ แต่ว่ากิจของอริยศาสตร์ไม่ใช่อยู่มีอยู่กิจเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นผู้ที่ทํากิจรอบรู้อ่ะกิจที่ควรคํานึงควรพิจารณาให้มากกิจอันนั้นก็คือกิจคือการละที่เรียกว่าประหารละนี่นะคือละฉันทราคะในอุปาทานขันท่านี่นะซึ่งการละก็มีจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพื่อการแทงตลอดอริยสตร์ทีนี้กิจที่เอ่อขอไป ตัวที่มาปฏิบัติทำกุศลหรือบําเพ็ญกิจเหล่านี้คืออะไรก็คือเนี่ยทุกขานิโรธค า, ามินีปฏิปทานะก็คือตัวปฏิปทาที่จะทําให้แทงตลอดทุกขานิโรธซึ่งเชื่อของความดับทุกอันนั่นนะคือคืออริยมรรคอริยมรรคอันนี้คืออริยมรยมครนน ค, รครที่ประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะองแปดนั้นก็คือ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งอันนี้เป็นภาวนากิจเนี่ยนะเมื่อเป็นภาวนาเนี่ยในชั้นต้นเนี่ยยึดเอาไว้เถอะไม่ผิดอันะให้รู้สึกให้รักศีลเอาไว้เนี่ยนะอันนี้จะไม่ผิดพลาดนะให้ให้ให้มีใจรักไตรสิกขาเอาไว้เลย เพราะว่าอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดเนี่ยนะถ้าจะแยกมาก็คือศีลสมาธิและปัญญาเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาอันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าขึ้นต้นมาเนี่ยนะเรียนอุปาทานขันท่าแล้วบอกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นะแล้วสับเอามาใช้กับตรงนี้ไม่ได้ คือจริงๆใช้ได้แต่ยังไม่ควรใช่ไหถมถามาถามว่าทำไมจึงไม่ควรใช้เพราะว่าอริยาสาวกในศาสนานี้รักศีลยิ่งกว่าชีวิตใช่ไหมสมมติถ้าบอกว่าเออศีลมันสมมตินะอ้าวเขาเรียนเล่ามาให้เรียนสุรามาให้บอกว่าอ้าว ขันห้ามันไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นศีลก็ไม่เที่ยงเราก็ดื่มซะหน่อยแล้วก็สมาทานใหม่เห็นไหมเป็นอย่างนั้นไหมคุณนภะไม่ใช่แน่นอนเลยนะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าธรรมะคือกลมอริทุกขอริยาาสัจกับกลุ่มมัคขอริยาาสัจเนี่ยไม่ควรเอามาปนกันในแง่นี้คือไม่ควรปนในการในแง่ของการบำธรรมกิจ เพราะว่าผู้ที่ศึกษาเข้าจ ะ, ะธรรมะไม่ดีเนี่ยนะจะเอากิจสองอย่างมาปนกันเห็นไหมคือถ้าเมื่อพิจารณาสิ่งทั้งหลายโดยความเป็นขันห้าขันห้าอ น, นั้นไม่ควรถือมั่นเนี่ยนะคือไม่ควรไปถือว่าเป็นของเที่ยงไม่ควรถือว่าเป็นสุขไม่ควรถือว่าเป็นอัตตาแต่ในขณะเดียวกันต้องสําคัญว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะที่ควรบําเพ็ญยิ่งด้วยชีวิตเนี่ยนะ ยิ่งด้วยชีวิตเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นอริยสาวกเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ได้อริยะการตัสสีนถ้าสําเร็จเป็นพระโสดาบันเนี่ยท่านรักศีลยิ่งกว่าชีวิตอย่างที่กล่าวว่าถ้าหากว่าท่านฆ่าไก่ข้าพเจ้าจะให้ท่านเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถ้าท่านไม่ฆ่าไก่ข้าพเจ้าจะฆ่าท่านท่านจะเลือกถูกฆ่ายินดีที่จะถูกฆ่าโดยที่ไม่ยอม ผิดศีลเนี่ยนะโดยที่ไม่ยอมผิดศีลท่านรักศีลขนาดนั้นนะแม้กระทั่งอริยสตผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยแต่ผู้ที่บําเพ็ญกิจอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจะรักศีลเสมอด้วยชีวิตเหมือนกันะนะที่พระพิสูรรูปหนึ่งท่านเข้าไปในดงอ่ะนะโจรก็จับเอาเถาหัวด้วนเนี่ยมัดท่านเป็นเถาที่เอาเถาสดอ่ะนะคือรูดรูดแต่ใบทิ้งแล้วก็มัดอยู่กับที่นั่นแหละ ท่านบอกว่าถ้าท่านดิ้นหรือท่านขยับเทามันก็จะขาดแต่ว่าท่านพิจารณาอยู่แล้วว่าเถาอันนั้นเป็นเถาที่ยังเป็นภูตะคามคือยังติดอยู่กับอยู่กับดินถือว่าเป็นต้นไม้ถ้าท่านกระชากมันขาดท่านผิดศิกขาบทพรากภูตะคามท่านก็บอกว่าแล้วแล้วตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเดือนที่ไฟป่าเข้ามาพอดีท่านก็คิดนะว่าทจะเอาศีลหรือจะเอาอะไรเไห ถ้ากระชากมันก็หลุดนะไฟป่ามันก็ไม่ไหม้ตายอยู่แล้วแต่ถ้าปล่อยให้รักสะอาดถ้าไม่กระชากให้มันขาดไฟป่าก็เผาจนตายทั้งๆที่ท่านยังไม่เป็นพระอริยะในตอนนั้นท่านก็เลือกเอาศีลไว้ก่อนเนีย่ยนะเมื่อท่านเลือกเอาศีลพอไฟไหม้ท่านท่านเจริญวิปัสสนาจนรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเพราะฉะนั้นผู้ที่รอบรู้ในอุปาทานขันห้า โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตากลับยึดมั่นในศีลสมาธิปัญญาอย่างมั่นคงถามว่าเหมือนอะไรเหมือนกับว่าผู้ที่ยังยังอยู่ในห่วงน้ำเนี่ยนะยังอยู่ในทะเลอะ่ะมันมีเรือ ล, อออลงงําลน้อยอยู่ลําหนึ่งใช่ไใช้คําว่าลําน้อยแต่ที่ที่ค่อยๆสืบเนื่องมาอย่างนี้ที่น้ําข้างล่าง อ, ะอ่ะนะตัวน้ำเนี่ยซึ่งเป็นสํา น, นวนว่าน้ํากรดก็แล้วกัน ใครตกในเผาคนนั้นตายหมดอ่ะท่านรู้ว่าน้ำมันเป็นกรดแล้วข้างในเนี่ยมันประกอบไปด้วยทุกโทษทั้งหมดระหว่างที่อยู่บนเรือเนี่ยถามว่าท่านยึดเรืออยู่ไหมตอนนั้นอ่ะ น, นะยึดเรือไว้เต็มที่ใช่ไหมพอขึ้นถึงฝั่งแล้วอ่ะนะท่านก็รู้คุณของเรือแต่ท่านไม่ได้แบกเรือไปเนี่ยนะเพราะฉะนในระหว่างที่บำเพ็ญกุศลธรรมที่เรียกว่าศีลสมาธิ ป, ปัญญาเนี่ยนะตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ย ท่านยึดตัวนี้มากเนี่ยนะยึดเสมอด้วยเสมอด้วยชีวิตของท่านเนี่ยนะซึ่งพระองค์ตรัสว่าอริยาสาวกในในศาสนาของพระองค์นะจะไม่ล่วงละเมิดโอวาทของพระพุทธเจ้าแม่แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี่โดยเฉพาะอาธิศีลสิกขาก่อนเป็นอันดับแรกแล้วศิกข้าอื่นๆท่านรักมากเพิ่มขึ้นเท่าตัวเนี่ยนะแล้วก็จะบําเพ็ญไปอย่างนี้มากขึ้นอันผู้ที่ศึกษาธรรมะโดยที่ขาด ความเข้าใจในคำสอนที่ถูกต้องจะยกอันนี้ขึ้นมาเป็นข้ออ้างแล้วไม่บาเพ็ญภาวนาคือไม่เจริญสิ่งที่ควรเจริญนะไม่บาเพา็ญอธิสีลสิกขาไม่บาเพา็ญอธิจิตตสิกขาไม่บาเพา็ญอธิปัญญาสิกขาพอศีลขาดบอกว่าไม่เที่ยงบ้างอนัตตาบ้างเนี่ยนะเพื่อมาเป็นข้ออ้างว่าที่ฉันผิดศีลมันไม่ผิดอะไรเนี่ยนะ นก็ตรงนี้กเ็เป็นข้อที่ควรสังวรเอาไว้ให้มากมนะของกลุ่มเรายัางไม่ทันมีแต่ถ้าอันนี้จังไปนานๆแล้วจะมีขึ้นเนี่ยนะพราะว่าที่หลายเออหลายแห่งเขามีเป็นตัวอย่างเนะี่ยนะก็ทำมาให้ก่อนจำได้ที่วัดแห่งหนึ่งนะ ก็พูดอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเป็นปกติธรรมดาสมมณีนี่ก็เฮ็ดกับเข้าด้วยเหมือนกันอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยนะอนิจจังแบบเครียกว่าเอาไว้แก้ตัวกับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าทำของสงเสียหายบอกมันไม่เที่ยงครับอาจารย์อยงนั้นใช่ไม่เที่ยงแต่ถ้าเป็นของสงเนี่ยต้องใช้คืนเนี่ยนะไม่เที่ยงบางอย่างเนี่ยต้องใช้คืนเห่างนั้นเลย สมมติว่าไม่เที่ยงเล่นเผลอเนี่ยเผากุฏิเล่นๆอย่างเงี้ยนะแล้วก็บอกกุฏิไม่เที่ย ง, ยย ง, นะยงใช่กุฏิไม่เที่ยงหรอกแต่ว่าที่แน่ๆว่าท่านต้องสร้างใช้คืนสงนี่นะเพราะฉะนั้นะมีโทษนี่นะนะ <c oughs> มัีละธรรมจะต้องอมั่นคงหรือว่าดียิ่งขึ้นเนี่ยนะถ้าเข้าใจเรื่องความไม่เที่ยงเพราะอะไรถามว่าทำไมเมื่อเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้ว กุศรธรรมไม่ว่าจะเป็นศีละกุศลจึงมั่นคงหรือดีขึ้นเพราะอะไรเนี่ยนะเพราะว่าตัวที่ไปเห็นอุปาทานขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาัตตนี้เป็นเป็นปัญญาเนี่ยน ะ, ะปัญญานี้มีสมาธิเป็นเหตุใกล้ กว่าจะมีความรู้ขนาดนี้เข้าไปวิจัยขันธ์ห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะอบรมสมะถะมาพอควรทีนี้สมะถะที่จะสงบได้นี่ก็ต้องอาศัยกุศลศีลกุศลศีลที่จะมีได้ก็อาศัยเนี่ยถึงไตสรสารนคมอาศัยรับโอวาจากพระธรรมคําสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เนี่ยนะกว่าจะมาเจริญกุศลเหล่านี้ขึ้นแล้วมาเห็นขันธ์ห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก็ท่านจะรัก ยินดีในในกุศลธรรมเหล่านี้มากถามว่าที่ท่านยินดีเพราะอะไรเพราะท่านรู้ว่านี่แหละเป็นเหตุแห่งความพ้นทุกเ์นะเป็นข้อปฏิบัติหรือเป็นธรรมะที่ทำให้พ้นทุกขัมาขึ้นอสเชสูตรเลยนะ อย่าทำอย่าทาเหตุที่ไม่ดีเอาไว้เหมือนนันตา ม, มานะเดี๋ยวไปเป็นอะไรบ้างาทำอะไรบ้างแล้วคนอื่นเขาจะกวนนะมีโทศรศัพท์นี่ก็มีบุญแล้วแต่ว่าเอาไว้ใช้เป็นที่เนาะ <c oughs> ดูอัศชริสูตรเลยนะขอนะ้อสองรอยี่สิบสามหน้าสองร้อยแดสิบห้า สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระวิหารเวลุวันกัลันทกะนิวาปสถานกรงราชครึกก็สมัยนั้นแลท่านพระอาสชิอาพาธเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาพักอยู่ที่อารามของกัสปะเศรษฐีแสดงว่าท่านกัสปะเศรษฐีนี่สร้างวัดถวายสงน์นั้นครา้งนั้นท่านพระอสชิเรียกภิกษุผู้อุปถาคทั้งหลาย มาแล้วก็กล่าวว่ามาเถิดอาวุโสทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับจงถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกลา่าตามคําของเราว่าพระเจ้าขา้าอัศชิพพิษุอาพาตเป็นไข้หนักได้รับทุกขเวทนาและท่านทั้งหลายจงกราบทูล อย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาศขอพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอาศัยความอนุเคราะห์เสด็จเข้าไปหาอาสัชชีภิกษุถึงที่อยู่เถิดนี น, นะอาสัชชีองค์นี้ก็คนละองค์กับอาจารย์ของภาษาริบุตรนะอาจารย์ของภาษาริบุตรนี้ฟังธรรมแล้วบรรลุตอนฟังอัธิตตะตริ ย, ายาสูต ร, รบรรลุเป็นพระอรหันต์เพราะว่ า, อาขออภยัยฟังอนัตตลักษณะสูต ร, รนะ น, นะเพราะอาสัชชีองค์นั้น นับเนื่องในปัญจวัคคีย์ทั้งหแต่อัสชิองค์นี้คนละองกันภิกสูหล่านั้นก็รับคําของท่านพระอสชิแล้วก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็กราบทูลอย่างที่พระอัสชิแนะนําไปทุกประการครั้งนั้น เ, เป็นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่พักเสด็จเข้าไปหาท่านพระอัสชิถึงที่อยู่ท่านพระอสชิได้แลเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกล ครั้นเห็นแล้วก็ลุกขึ้นจากเตียงลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกับท่านพระอัสสชิว่าอย่าเลยอัสสชิเธอจงอย่าลุกจากเตียงเลยอาสนะเหล่านี้ที่เขาปูลาดไว้มีอยู่เราจักนั่งที่อาสนะนั้นเป็นธรรมเนียมของสมัยพุทธกาลว่าพระภิกษุอยู่ที่ใดก็ตามจะต้องทําอาสนะเอาไว้หนึ่งที่เนี่ยนะเป็นธรรมเนียมเลยเพื่ออะไรเพราระว่าพระผู้มีพระภาคจะเสด็จมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ถ้าหากว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยนะโดยมากพอถามว่าพระองค์มาตอนไหนมาตอนที่อกุศลลจิตเกิดจะมาแถวนั้นพอดีเลยเนะพราะฉะนั้นมัวแต่ไปวิ่งหาอาสนะถวายพระพุทธเจ้าไม่ทันเพราะฉะนั้นจะต้องทําอาสนะเอาไว้ให้เสร็จเลยนะหาใบไม้หาอะไรมาปรองรองแล้วก็หาผ้าหาอะไรปูเอาไว้ให้เบ็ดเสร็จนะ เสร็จแล้วก็พงค์ก็จะเตือนนี่เธอบวชเข้ามาในศาสนาของเราตถาคตเธอยังคิดถึงเป็นบาปเป็นอกุศลอีกเลยบาปอากุศลอันนี้เป็นตัวที่นําให้เกิดในอบายทุกขติวินีบาสนารกนะพระองค์ก็เทศโทษของอกุศลวิตตกแล้วก็แสดงอนิสงค์ของกุศลวิตตกแล้วพระองค์ก็จากไปนะมาแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวถามว่ า, าแล้วพระภิกษุเยอะๆเป็นหมื่นเป็นแสนพระพุทธเจ้าจะทําอย่างนั้นไหวหรือบอกไม่ต้องห่วงเนี่ยนะ ย ม, มกะปาติหารเนี่ยนะทำยากกว่านั้นเยอะเนี่ยนะทำยากกว่าอย่างที่กล่าวเยอะอันนั้นอย่างจะยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าแสดงย ม, มกะปาติหารเนี่ยพระองค์จัดเน е รมิตพระพุทธพระพุทธเน е รมิตขึ้นมาอีกหนึ่งองค์ด้วยเห็นไหมเรียกว่าด้วยอํานาจของมโนมยิทิเนี่ยนะก็สร้างพระพุทธเน е รมิตองค์ใหม่ที่เหมือนพุทธรูปหรือจะไม่เหมือนพระพุทธเจ้าทุกอย่างแล้วพูดคุยกันได้ด้วยอนะั แล้วในระหว่างนั้นมีการอ่าชมรับพระพุทธเจ้าเดินพระพุทธเนรมิรนั่งอย่างง้นะมีการสลับอิริยาบถพร้อมทั้งไอไอท่อน้ำท่อไฟอ น, น, นถ้าเท่านี้มันยังไม่อาัศาจรรย์อัศาจรรย์ก็คือบอกว่าบริษัทที่มาเนี่ยสิบยพระองค์กำหนดรูวาระจิตของทั้งหมดนั้นอ่สมมติว่าสัตว์เนี่ยนะบริเวณ12โยอดก็ประมาณสัก48กิโลเนี่ยนะประมาณ48ตารางกิโลเมตรเนี่ย หรือมากกว่านั้นเนี่ยนะหรืออาจจะเป็นร้อยตารางกิโลเมตรซึ่งมีแต่มนุษย์และเทวดาเต็มไปหมดเนี่ยพระองค์ยังไปรู้ว่าระจิตทั้งสิบประเภทของเทวดาเหล่านั้นแล้วรู้ด้วยว่าเบื้องหลังของเทวดาเหล่านั้นทั้งหมดมีอุปนิสัยหรือไม่เขาจะได้บรรลุไม้แล้วเทศสับวางด้วยนะอ่ามันอันนั้นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพุทธอ่าเป็นคุณของพระพุทธเจ้าที่พระองค์อบรมจิตด้วยบา ร, รมีทั้งหลายเนี่ยนะกว่าจะได้ถึงขนาดนั้นพระองค์ทำได้หมด เพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าพระพิสูจนนี้อากุศลวิตกเนี่ยเป็นร้อยๆเนี่ยนะก็เหมือนกับว่าในพร้อมกันเนี่ยเหมือนกับไปได้พร้อมกันเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยเร็วมากเหมือนกันแต่ตรงนี้พองค์ก็เสด็จไปโดยปกติธรรมดาโดยไม่ได้ใช้อภินิหารอะไรเนี่ยนะบางแห่งก็ใช้อภินิหารเช่นไปโปรดนะข้างหน้าในพระโสณนะนะที่เดินจงกรมจน เท้าอาบเลือดเนี่ยตรงนั้นก็ไปด้วยไปด้วยพรฤิแล้วก็มีอีกหลายแห่งที่ไปด้วยพรฤิตเนี่ยนะ <c oughs> นี่พอไปถึงพระผู้มีพระภาคก็ตรัสถามว่าอัศชิวางเันเธอพอทนได้หรือพอยังอัตภาพไม่เป็นไปได้หรือทุกขเวทนานี้ปรากฏทุเลาลงหรือไม่กำเริบมากขึ้นหรือเนี่ยนะก็ไปถามตัญหาสุขภาพเนี่ย ภาษชีก็ทูลว่าข้าพระองค์นี้ทนไม่ไหวไม่สามารถจะยังอัตภาพไปได้เนี่ยนะทุกขเวทนามีแต่มากขึ้นมากขึ้นมันไม่ลดลงบ้างเลยนะแสงว่าปวดหัวนี้ก็ปวดมากขึ้นปวดท้องก็ปวดมากขึ้นที่อื่นก็บอกว่าถ้าป่วยนี้เป็นยังไงถ้าป่วยประเภทปางตายนะถ้าป่วยไม่ถึงตายก็ไม่ค่อยเดือดร้อนป่วยปางตายเขาบอกว่าปวดหัวเหมือนกับ เอาเชื่อกอะนะเคยเห็นนักมวยที่มันคาดหัวไหมแล้วเอาไม้มาแล้วก็ขันรัดรัดรัดรัดไปเรื่อยแล้วขันชนะเนี่ยนะอันนั้นปวดหวัวปวดแบบนั้นหลยหรือบางทีเนี่ยถ้าถ้าร้อนในตัวร้อนเหมือนอะไรเขาบอกว่าร้อนเหมือนกับว่าถูกย่างเป็นๆอย่างนั้นถูกย่างปวดท้องเหมือนอะไรเหมือนเอามีดคมๆเนี่ยนะควานท้องเหมือนันแบบยิฐทหารญี่ปุ่นโบราณ น, นะจากควานท้องแบบนั้นนะก็ปวดท้องแบบนั้นนะก็มีโรคบางโรคที่ไส้แตกเล ย, เลยก็มีเนี่ยนะ หมอเขาเหนังสือมาให้บอกว่าโรคบางโรคที่โรคมาในสายตับเนี่ยนะแล้วก็ตอนหนักทาให้ให้ท้องมันโตขึ้นโตขึ้นแล้วท้องแตกได้เนี่ยนะนี่ p ร u s ทีนี้ผม ก, ก็ถามต่อไปว่าเธอไม่มีความรําคาญไม่มีความเดือดร้อนอะไรบ้างหรือคือไม่วิปฏิสานไม่ไม่ลําบากใจอะไรเลยใช่ไหมหวังงั้นแท้สำนวนไทยๆเราบอกมีปัญหาอะไรค้างคาใจบ้าง มีอะไรค้างคาใจบ้างไหมในศาสนานี่นะปราศชีกก็บอกว่าแท้ที่จริงข้าพระองค์มีความลาคาญใจไม่น้อยมีความเดือดร้อนอยู่ไม่น้อยนะก็มีเรื่องที่ลําบากใจอยู่เหมือนกันตอนนี้พระองค์ก็ถามมาเอากดตัวเธอเองไม่ติเตียนตนเองโดยศีลบ้างหรือเนี่ยพระพุทธเจ้ายัางยกเรื่องศีลขึ้นมาเป็นอันดับแรกไนะว่า นะถ้ากล่าวโดยเรื่องศีลเรื่องกายวาจาอาชีพของเธอนี่ยติเตียนตัวเองได้บ้างหรือเปล่าเห็นไหมมีข้อพฤติกรรมเนี่ยนะกายกรรมคำพูดมีอะไรที่มันน่าตําหนิตัวเองบ้างไหมเห็นไหมพระเจ้าค่าตัวข้าพระองค์จะติเตียนข้าพระองค์เองโดยศีลก็หาไม่ได้ไม่ไม่เดือดร้อนไม่หรือเพราะปัญหาเรื่องศีลนี่ไม่มีอ่าแล้วเดือดร้อนเรื่องอะไรล่ะพระเจ้าค้าในการป่วยครั้งก่อนข้าพระองค์ระงับ กายสังขารนะลมหายใจเข้าออกครั้งนี้ระงับไม่ได้จึงไม่ได้สมาธิเมื่อ ka ข้าพระองค์ไม่ได้สมาธิจึงเกิดความสงสัยอย่างนี้ว่าเราไม่เสื่อมแล้วหรือหนอคือครั้งก่อนๆเนี่ยนะพอป่วยก็เข้าฌานพอเข้าฌานแล้วก็ไอความป่วยมันก็หายไปเนี่ยนะคือแก้ป่วยได้เป็นครั้งคราวเนี่ยนะพอเข้าฌานก็ความป่วยก็ลดลงพอเข้าฌานความป่วยก็ลดลงพอป่วยครั้งนี้ขั้น โอ้เดือดร้อนหนักมากเดือดร้อนหนักจะไงบอกมันเข้าไม่ได้เลยสมาธิเสื่อมเพราะงั้นข้าพระองค์เสื่อมนี่คือคือสิ่งที่ท่านเดือดร้อนนะเดือดร้อนว่ามันเข้าชานไม่ได้เหมือนเดิมพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอัศเชิสมณะพราหมณ์ที่มีสมาธิเป็นสาระมีสมาธิเป็นสามัญยะคือเป็นผลของความเป็นสมณะเนี่ยนะ เมื่อได้สมาธินั้นย่อมเกิดความคิดอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายไม่เสื่อมหนอคือถ้ายังเข้าฌานได้ก็ถือว่าตัวเองนี่มีมีสาระได้สามัญญผลว่า ง, งั้นเถอะจริงๆแล้วผลของความเป็นสมณะไม่ได้อยู่ที่สมาธิว่า ง, งั้นอันนี้แบบสมาธิแบบฌานทั่วไปถามว่าทำไมจึงที่อื่นเนี่ย โ, โหยกย่องว่าเธอจงเจริญสมาธิเธดยกย่องสมาธิมากแต่ตรงนี้ทําไมเหมือนตําหนิเคอบอกว่า ไม่ใช่ผลที่สูงสุดในศาสนานี้เพราะว่าสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปเนี่ยท่านถือว่าเป็นทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมถือว่าผู้ที่ได้สมาธิเหล่านี้อยู่เป็นสุขนิวรณ์ไม่กลุ่มรุมแต่ถามว่าอยู่เป็นสุขเพื่อประโยชน์อะไรเนี่ยนะสมาธิเหล่านั้นมีเพื่อประโยชน์อะไรมีเพื่อประโยชน์แก่วิปัสสนาเนี่ยนะวิปัสสนาก็เพื่อประโยชน์แก่มรร มักก็เพื่อประโยชน์แก่ผลผลก็คือการทําให้แจ้งพระนิพพานเพราะฉะนั้นสมาธททิที่ประสงค์ที่แท้จริงคือสมาธิที่เป็นไปเพื่อการเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไปได้สมาธิแล้วก็ไปติดอยู่สมาธิเหมือนอะไรการทำํำอาการมีสมาธิเนี่ยนะในอัตถกถาทำบมบทรหรือที่อื่นอุปมาว่าเหมือนกับทหารที่มีค่ายเท่านั้นเองอ น, นะจุดประสงค์เนี่ยไปทําค่ายแล้วจะได้อยู่สบายในสนามรบหรื อ, อ น, นะ เพราะฉะนั้นก็ยังยังรู้ตัวว่าออไอการพักผ่อนในค่ายตอนนี้ก็คืออยู่ในสนามรบพักผ่อนเพื่อมีแรงจะได้ไปรบต่อไปเพราะฉะนั้นในในธรรมบทพระองค์ก็เตือนว่าอย่าไปติดในค่ายนะเดี๋ยวมันจะรบแพ้ว่า ง, งั้นผู้ที่ได้สมาธิตรงนี้ก็เหมือนกันถ้าได้สมาธิแล้วอะแล้วไม่เอาสมาธิเหล่านี้มาเป็นบาดแห่งการเจริญวิปัสสนาพอเข้าสมาธิไม่ได้เดือดร้อนแล้วครับนีนนะ่เพราะฉะนั้นพระองค์ก็ ออบอกว่าอย่าไปถือว่าสมาธินี้เป็นสาระนะพระองค์เลยสอนวิปัสนาต่อไปว่ากิจที่ควรทําต่อไปคือการเจริญวิปัสนาเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าระหว่ า, วางป่วยป่วยอยู่นะโดยพื้นฐานทั่วไปควรแนะนําให้เจริญสมาธิหรือวิปัสนาถ้ากําลังป่วยอยู่โดยโดยธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยนะคือคนเนี่ยสองคนเนี่ยเข้าใจทั้งสมาธิด้วยเข้าใจทั้งวิปัสนาด้วยพร้อมกันเนี่ย เราควรไปแนะนำให้เขาเจริญสมาธิหรือวิปัสนาเนี่ยนะก็แนะนำให้ควรเจริญวิปัสนาเพราะว่ามันมันถูกจุดประสงค์ดีเนี่ยนะแต่วิปัสนานี่ต้องเป็นแบบนี้ไนะ <c oughs> ว่าดูก่อนอัศชิเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉัรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะที่เธอป่วยเนี่ยไงเธอป่วยนี้เพราะรูปใช่ไหมรูปมหาภูตรูปมันกัดกันเองเลยมันป่วยอ่างนั้นเหรย เพราะฉะนั้นก็เลยถามว่าเออรูปเนี้ยมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเนี่ยนะก็เรียกว่าลงเข้าสู่ปัญหาตรงๆเลยนะว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์พระเจ้าค่ะสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นว่านั่นเรานั่นของเรานั่นอัตราของเราอ่ะนะไม่ควรคืออย่าไปกังวลกับเรื่องสุขภาพเรื่องกายเนี่ยที่มันป่วยมันเจ็บมันไข้มากเลยมันเป็นอย่างนี้แหละร่างกายอ่ะนะ ที่บางแห่งท่านบอกว่าเฮ้ u, มันเป็นเช่นนี้แหละร่างกายอ่ะนะไม่ให้มันป่วยมันก็ป่วยก็ยังไงมันก็ต้องป่วยอยู่แล้วแต่ว่ามันยังมีที่หนักกว่าป่วยอีกนะอะไรตาย <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นอย่าไปห่วงเลยเรื่องป่วยมันจะมีหนักกว่านั้นอีกก็คือจะตายแน่หรือถ้าให้เอาไหมขาดสมมุติว่าใส่ก็ไม่มีแล้วนะทานอะไรก็หลุดออกมาหมดหรือว่าอะไรก็ ว่าสะบัดเท้าเท้าก็หลุดสะบัดแขนแขนก็หลุดแต่ว่าไม่ให้ตายเงี้ยเอาไหม <c oughs> ไม่เอากันนะ